คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตคือร่างกายและจิตใจเพราะชีวิตนี้ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกันคือหนึ่งร่างกายสองจิตใจซึ่งวิธีการดูแล ร่างกายและการดูแลจิตใจนี้ก็ต่างกันต้องศึกษาให้รู้จักวิธีดูแลทั้งร่างกายและดูแลทั้งจิตใจเพื่อที่จะได้มีความสุขที่สมบูรณ์กำจัดความทุกข์ต่างๆ ทั้งส่วนของร่างกายและจิตใจให้หมดไปสิ่งที่ร่างกายต้องการคือที่พึ่งที่อาศัยของร่างกายคือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่วัศใยและยารักษาโรคเวลาที่เกิด โรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาร่างกายจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่ไว้ดูแลร่างกายให้สมบูรณ์ขาดปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งไป <c oughs> ก็จะทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดการพิกลพิการ ลึกถึงแก่ความตายไปได้สิ่งที่ร่างกายต้องการนั้นก็ต้องพอประมาณกับความต้องการของร่างกายถ้ามากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษให้กับร่างกายและเกิดโทษให้กับจิตใจ เพราะว่าจิตใจเป็นผู้ที่จะต้องไปหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายนั่นเองถ้าปัจจัยสี่ของร่างกายน้อยเกินไปไม่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดอาการ ไม่มีแรงไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงขึ้นมาได้ฉนการดูแลต้องรู้จักประมาณในการดูแลร่างกายให้พอต่อความต้องการของร่างกายแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายและต้องไม่น้อยกว่า ความต้องการของร่างกายร่างกายถึงจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่โดยใช้หลักมักน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระ เป็นทุกข์แก่จิตใจผู้ที่จะต้องเป็นผู้คอยหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายถ้าเลี้ยงดูร่างกายแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราต้องใช้ของแพงๆกินของแพงๆอยู่บ้านที่มีราคาแพงๆ อยู่โรงพยาบาลรักษาโรคภัยที่มีราคาแพงๆมันก็จะไปสร้างภาระให้แก่จิตใจเพราะจิตใจต้องเป็นผู้ที่ไปหาเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยแบบแพงๆนั่นเอง ร่างกายอาจจะอยู่ดีกินดีแต่จิตใจกับจะต้องตกอยู่ในสภาพของความทุกข์ของความวิตกกังวลต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายและต้องคำนึงถึงกฎที่ร่างกายอยู่ภายใตก้กฎที่ร่างกายอยู่ภายใต้ก็คือกฎของอนิจจัง ทุกขังอนัตตาร่างกายของทุกคนนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่มีการเกิดแล้วต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเลี้ยงดูร่างกายให้ดีขนาดไหน มันก็ไม่สามารถยับยั้งกฎของตายรักได้ไม่สามารถยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เลี้ยงให้ดูให้ดีขนาดไหนให้รู้รัขนาดไหนให้แพงขนาดไหนมันก็ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปไม่ได้ จึงไม่ควรที่จะหลงไหลกับการเลี้ยงดูเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับร่างกายแล้วก็กลับไปเป็นภาระที่หนักให้แก่จิตใจจิตใจแทนที่จะอยู่อย่างสุขสบายก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกาย ดังนั้นคุณควรใช้หลักมากน้อยสันโดษแล้วก็ใช้กฎแห่งตายลักมาคอยเตือนสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายของเรานี้มันเป็นของชั่วคราววันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงสิ่งเดียวที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์แก่จิตใจก็คือมันสามารถเป็นเครื่องมือ ในการที่จะพาให้จิตใจได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ถ้ามีร่างกายของมนุษย์แล้วมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาร่างกายนี้จะมีคุณประโยชน์มากต่อการบำเพ็ญเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพราะถ้าไม่มีร่างกายของมนุษย์เช่นสมมติมาได้ร่างกายของสุนัขถึงแม้จะมาพบกับพระพุทธศาสนาแต่สุนัข ก, ก็ไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของสุนัขนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือคุณค่าหรือความสําคัญของร่างกายของมนุษย์ถ้าไม่มีร่างกายของมนุษย์นี้โอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยากมากมเช่นถ้าตอนนี้เป็นไม่มีร่างกายของมนุษย์เป็นจิตเป็นเทวดาอยู่ในโลกทิพย์ ก็ต้องอาศัยพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนพวกเทวดาทั้งหลายได้ซึ่งก็มีไม่มากองค์พระอรหันต์ทุกรูปนี้ไม่ได้มีความสามารถที่จะสามารถติดต่อกับเทวดาได้ทุกรูป จะมีมีส่วนน้อยมากที่จะสามารถที่จะมีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาและเอาคําสอนไปสอนพวกเทวดาได้แต่ถ้าได้มีร่างกายของมนุษย์นี้โอกาสที่จะเข้าถึงพระธรรมคําสอนผ่านพระอาหารหันต์แต่ละรูปนี้มีมากเพราะว่า พระอรหันต์ส่วนใหญ่นี้ท่านก็เป็นมนุษย์กันพูดภาษามนุษย์นะเราก็สามารถเข้าถึงกันได้ถ้าเรามีร่างกายของมนุษย์เราก็สามารถส่แสวงหาพระอรหันต์ที่เราอยากจะพบได้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้มีการสื่อสาร ที่ค้่องแค่วและรวดเร็วสามารถศึกษาหาพระอริยบุคคลต่างๆได้สามารถเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติทำกับท่านเหล่านั้นได้การมีร่างกายของมนุษย์ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์มาก ต้องดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้ดีแต่ก็ไม่ต้องดีจนเกินไปดีจนกระทั่งทําให้ไม่มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติทํากันควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมต่อการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจวิธีที่จะแบ่งเวลาให้เหมาะสมนี้ เราก็ดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าท่านแบ่งเวลาในการเลี้ยงดูร่างกายและมาเอาเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พระที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ เลียงดูร่างกายด้วยความมักน้อยสันโดษมัก น, น, น้อยก็คือเอาให้น้อยที่สุดเอาเท่าที่จำเป็นไม่ให้เอามากกว่าความจำเป็นเช่ mm. นอาหารก็ให้อาหารหาอาหารด้วยการบินสบาย mm. วันละหนึ่งครั้งก็พอ mm. การหาอาหารนี่ก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดสันโดษ อย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปขออย่าไปบอกผู้ให้ว่าต้องการอาหารชนิดนั้นชนิดนีข้ขนาดนั้นขนาดนี้มากน้อยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นสิ่งที่พึงกระทําเพราะว่ามันจะเป็นการไปทำให้ผู้มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาได้ <c oughs> แล้วก็ เป็นเรื่องของการส่งเสริมกิเลสตัณหาของผู้ขอเองซึ่งเป็นการขัดกับการดําเนินเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการดําเนินเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป้าหมายก็คืออยู่ที่การกําจัดกิเลสตัณหาชนิดต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ไม่ให้ใจนี้มีกิเลสตัณหาอยู่เลยดังนั้นการที่จะไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วให้เป็นผู้ขอแต่ไม่เป็นผู้บอกว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ยินดีรับตามที่ผู้ให้ปรารถนาจะให้มาให้มากให้น้อยให้อะไรถ้าไม่ขัดกับหลักธรรมพระวินัยก็รับไปได้ ถ้าเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักธรรมหลักวินัยก็ก็ไม่ต้องรับเช่นถ้าให้สุรายาเมามาอันนี้เป็นการขัดหลักธรรมวินัยก็ไม่ต้องรับปฏิเสธไปแต่ถ้าไม่ขัดหลักธรรมหลักวินัยก็รับมาส่วนจะบริโภคมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความ พอดีของผู้บริโภคแต่ไม่ให้ไปสร้างภาระให้กับผู้ให้ให้เป็นผู้ยินดีตามมีตามเกิดเพื่อจะได้สะดวกต่อผู้ที่เขาจะให้ด้วยเป็นการไปโปรดผู้ให้เขาเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ ผู้ให้ทำอะไรกินอะไรแล้วอยากจะแบ่งอาหารที่เขาทำมาถวายก็รับไว้ได้ถ้าไปกำหนด ว, ว่าต้องกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นภาระต่อผู้ให้เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากก็อาจจะทำให้ผู้ให้ไม่อยากจะใส่บาตรก็ได้เพราะว่ายุ่งถือว่ายุ่งจู้จี้จุกจิก ผู้ให้ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญด้วยแต่ถ้ายินดีตามมีตามเกิดตามสะดวกของผู้ให้ผู้ให้มีอะไรอยากจะให้อะไรแม้แต่ข้าวเปล่าอย่างเดียวก็ก็ยินดีจะรับขอให้เป็นความสะดวกของผู้ให้ก็แล้วกันเพราะเพื่อผู้ให้จะได้บุญได้กุศลจากการเสียสละแบ่งปันอาหารให้แก่ผู้รับไป พพเจ้าจึงสอนให้พระถือกดระเบียบของการบินทบาตเป็นกิจวัตรประจำวันควรจะออกไปบินทบาตโรดสัตวนะ์เพราะถ้ารอให้เขามาทำบุญที่วัดก็อาจจะไม่สะดวกเพราะเขาต้องมีหน้าที่การงานอะไรต้องทำถ้าจะต้องแบ่งเวลามาวัดเพื่อมาทำบุญไถบาท ก็าจะทําให้เสียเวลาต่อการทํามาหากินก็ให้ไปโปรดที่หมู่บ้านของผู้ที่ให้ไปเลยอยู่หน้าบ้านผ่านหน้าบ้านเขาเขาอยากจะทําบุญใสยบาตรเขาก็แบ่งอาหารที่เขาทําไว้รับประทานในวันนั้นมาใส่ได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะได้ไปทํางานทําการของเขาต่อไปแต่ถ้าจะต้องเตรียมตัวมาวัดนี่มัน ต้องเสียเวลามากอาจจะทำได้ในช่วงวันสำคัญเช่นวันพระอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะมีวันหยุดทำงานหนึ่งวันก็จะใช้ช่วงนั้นมาทำบุญที่วัดก็ได้ <c oughs> ดังนั้นพระจึงควรจึงควรทำหน้าที่หาอาหารด้วยการบินเบาย การบินธบานี้ก็มีทั้งคุณประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจร่างกายก็ได้ออกกำลังกายเดินบินธบานก็เหมือนกับการเดินจงกรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่างกายก็ได้ออกกำลังกายการที่ได้เดินจงกรมได้ออกกำลังกายนี้ท่านก็บอกว่ามีอนิสงส์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ ง, ง่ายอายุยืนยาวนาน <S S S yeah. แล้วก็มีประโยชน์ทางจิตใจก็คือขัดเกลากิเลสคือความเกียดค้าความจู้จี้จุกจิก <Yeah. S 2> ความอยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ <Yeah. S 2> ถ้าไปบินระบาตก็แล้วแต่ผู้ให้ <Yeah. S 2> ยินดีตามมีตามเกิด นี้คือวิธีการของนักปราศในการเลี้ยงดูร่างกายในแบบที่ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจจิตใจก็ได้ขัดเกลากิเลสความเกลียดค้านความโลภความอยากที่จะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็จะถูกกําจัดไปถ้าไม่บินทบาต ซึ่งก็ปรากฏแล้วในยุคนี้สมัยนี้บางรูปท่านก็ได้รับกิริมนได้รับปัจจัยมาท่านก็บางทีก็ไม่บินถบาย ท, ท่านก็ใช้เด็กไปซื้ออาหารสั่งอาหารเพราะมีปัจจัย<ม>อันนี้แหละมันเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาและเป็นการสกัดกั้นความเจริญทางด้านจิตใจ ก็จะทาให้เกียจค้าน<ม>ตื่นสายถ้าไม่ต้องไปบินทบาทก็ตื่นสายได้จ<ม>ึงไม่เป็นประโยชน์<ม><ม>พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนในทุดงควัตรให้พระผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ถือทุดงควัตรในข้อการบินทบาทเป็นวัตร ซึ่งครูบาอาจารย์พระที่เราเคารพนับถือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แทบทุกรูปท่านก็ถือกฎนี้กันอย่างเคร่งคัดตั้งแต่วันออกบวชกันท่านก็เริ่มบินธบาตกันไปจนกว่าสังขารร่างกายจะไม่สามารถที่จะทำได้เช่นหลวงปู่มั่นนี้ท่านก็บินธบาตจนถึงเวลาที่ร่างกายไปไม่ไหวท่านก็เดินไปครึ่งทาง ชาวบ้านก็ออกมาใส่บาดครึ่งทางต่อมาท่านก็เดินไปครึ่งทางไม่ไหวท่านก็เดินมาแค่ประตูวัดชาวบ้านก็ไปใส่ที่ประตูวัดต่อมาไม่ไหวเดินไปถึงประตูวัดไม่ไหวก็รับบาดบนศาลาแทนท่านพยายามรักษาข้อวัดของการบินตบาดไว้ ทั้งที่จิตใจของท่านเองนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติข้อนี้แล้วแต่ท่านก็ทำไว้เพราะเป็นท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นการสอนลูกศิษย์ลูกหาพระใหม่ที่มาบวชจะได้เรียนรู้จะได้เห็นความสำคัญของความมักน้อยสันโดษในการหา อาหารบินทบาทมาเลี้ยงชีพนี่คือวิธีการของนักปราชญ์ของผู้ที่รู้จักวิธีแบ่งเวลาให้กับการดูแลร่างกายและดูแลจิตใจไม่ให้เสียเวลาดูแลร่างกายมากจนเกินไปออร่างกายนี้ก็มีประโยชน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือเป็นเครื่องมือในการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นอนอกจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรจะไปเลี้ยงดูให้มันอย่างดีให้อยู่อย่างอิบหนี้พีมันอยู่อย่างรู้ราอยู่แบบฟุ้งเฟยมันก็ไม่เกิดคุณประโยชน์กับจิตใจแต่กับเกิดโทษกับจิตใจ ออวิธีการอยู่แบบรูหลาร่ำรวยฟุฟ้งเฟอ้อเหอะเหอนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากอยากสุขอย่างสบายทางร่างกายแต่ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างภาระสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่จิตใจจิตใจไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้า อยู่แบบหรูหราอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบอิ่มหนี้พีมันต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษงานะนี้คือเรื่องของอาหารที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระปฏิบัติจะได้ไม่เสียเวลามากวันหนึ่งก็แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จภารกิจในการเลี้ยงดูตากทองนะออกไปบินธบาศกลับมาก็ฉันกัน ฉันเสร็จก็ล้างบาทเสร็จแล้วเช็ดบาทเก็บบาทเข้าที่แล้วก็ไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะมีเวลาไว้ไปปฏิบัติทําได้อย่างเต็มที่เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมานี่คือการหาอาหารให้กับร่างกายแบบ นักปราแบ บ, าบคนฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองส่วนประโยชน์ทางร่างกายร่างกายได้อาหารจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ไม่หิวจนเกินไปจะได้มีกําลังวังชาในการที่จะได้เอาร่างกายนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกัน ส่วนเครื่องนุ่งห่มก็สมัยพุทธกาลก็ใช้ผ้าบางสกุลกันไม่ ไ, ไม่ไม่ไปรบกวนชาวบ้านไม่ไปขอผ้ามามาหม่มแต่ไปเก็บผ้าที่เป็นธรรมเนียมของชาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาคนตายมักจะไม่ไปฝังไปเผาแต่จะเอาผ้ามัดศพแล้วก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยไป กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่สร้างมวลภาวะต่างๆ<ม>ปล่อยให้ให้ธาตุทั้งสี่แยกออกจากร่างกายไป<ม>พอร่างกายเน่าเปื่อยบวดแล้วแห้งกรอบผ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรนัก บ, บวชสมัยนั้นก็จะไปเก็บผ้าหอ่อศพนี้มาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บ<ม>เป็นผ้า นุ่งห่มสามผืนด้วยกัน<ม>เรียกว่าผ้าไตาจีวรผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนและผ้าห่มสองชั้นไว้สำหรับห่มกันหนาวเป็นผ้าหม่มนี่เป็นผ้าสามผืนเท่านี้ก็พอเพียงต่อเครื่องนุ่งห่มแล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายส<ม>ําหรับเครื่องนุ่งห่มของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะได้ไม่เสียเวลามากไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่รบกวนใครของมีอยู่แล้วของที่ทิ้งไว้ในป่าชา้าไม่มีใครต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีใครมาขโมยผ้าบางสกุลนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นผ้าหอ่อศพไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะได้กัน อันนี้ก็ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องผ้าว่าจะหายจะถูกขโมยเพราะว่าไม่มีใครอยากจะขโมยผ้าห่อศกกันอ่ันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องนุ่งห่มของของพระของผู้ปฏิบัติผู้ที่ต้องการเลี้ยงดูร่างกายเพื่อเอาร่างกายไปให้กับการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้อง จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมีแค่สามผืนก็พอไม่ต้องซักบ่อยไม่ต้องคอยดูแลรักษาต่อมาก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็ให้หาตามมีตามเกิดสมัยก่อนพระยังไม่มีวัดมีวาเป็นนักบวชพระนเนจรกันหาที่สงบภาวนากันก็มักจะไปหาที่สงบตามป่าตามเขา ก็อาศัยสิ่งที่มีอยู่ในป่าในเขานี้มาทําเป็นที่พักที่หลบแดดหลบฝนทําเป็นเพลงหลบแดดหลบฝนหรือถ้าไปอยู่ตามถาม้าตามเนื้อมผามก็อยู่กันไปตามมีตามเกิดไม่ต้องมาเสียเวลามาคอยสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆขึ้นมามจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเข้มข้น ยารักษาโรค ก, ก็รักษาตามมีตามเกิดตามวิชาสมัยโบราณคือใช้ปัศสวะดองดองผลไม้เช่นสมอเพื่อเอามาดื่มเรียกเป็นยาดองน้ำมูดเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องหรืออะไรก็เอามาดื่มพอบรรเทาได้โดยให้คิดแต่ว่าร่างกายนี้ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีจะรักษาได้หรือไม่ก็ตามซึ่งโครคภัยไข้เจ็บที่ร่างกายจะต้องผ่านก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันคือโรคที่เป็นเองแล้วหายเองสองโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายสามโรคที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่ไม่รักษาก็ไม่หายก็อยู่กับมันไป อย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมันเป็นสัจธรรมความจริงของร่างกายของทุนทุกคนว่ามันจะต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ที่มีความร่ํารวยก็ต้องเจอเหมือนกับคนยากคนจนคนธรรมดาเรื่องของร่างกายนี้เหมือนกันหมดทุกคน ถึงเวลาจะเจ็บก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนถึงเวลาจะตายก็ต้องตายด้วยกันทุกคนต่อให้มีทรัพสมบัติกองเท่าภูเขามาก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความเจ็บความตายของร่างกายได้เห็นจึงไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ปวดต่อสู้กับความตายมากจนเกินเหตุเกินผลก็ดูแลไปตามอัตภาพมียาอะไรกินยาก็กินไป เห็นไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถ้าใจมีมีทำแล้วใจจะไม่เดือดร้อนเอาเวลามาปฏิบัติทําให้กับใจดีไปให้เกิดธรรมะโอสถขึ้นมาแล้วเวลาที่โครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายนี้จะไม่ไปกระทบกระเทือนใจอันนี้คือเรื่องของการเล็งดูร่างกายแบบของนักปราชญ์ของพระ สุปฏิปันโนทั้งหลายท่านเลี้ยงดูกันแบบนี้ท่านเลี้ยงดูด้วยความมักน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่มาเป็นภาระให้กับจิตใจมาสร้างความทุกข์สร้างความยากลาบากให้กับจิตใจเพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องการมาลดภาระความทุกข์ยากลาบากของจิตใจมาปลดปื้งจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ก็ที่จะได้มีเวลามาให้กับการกับการปฏิบัติกับการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอย่างเต็มที่<ม>เพราะเรื่องของการปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เวลามากต้องให้เวลามากมถึงจะได้ผลถ้าทําเพียงเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนี้ ทำไปจนวาตายก็จะไม่ได้ผลอะไรมากถ้าได้ก็เป็นได้เป็นผลประโยชน์ส่วนต่ำผลประโยชน์ที่ยังไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นถ้าเอาเวลามาทำบุญทาทานก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นเทพเท่านั้นเองเมื่อเสื่อมลงเมื่อหมดหมดหมดบุญก็จะกลับมาเกิดใหม่ มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับมาเลยอยากจะปฏิบัติแบบทำให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากกองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็จำเป็นที่จะต้องไปอยู่หรือไปปฏิบัติแบบนักบวชต้องให้เวลากับการดูแลจิตใจอย่างเต็มที่ด้วยธรรม ที่พระเจ้าทรงสอนให้นำมามาปฏิบัติกันถ้ายังเป็นคารวะผู้ครองเรือนอยู่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยังยึดติดยังอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้เป็นที่พึ่งของใจอยู่ก็ควรที่จะเลิกได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองนี้ไม่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใจได้ นอกจากไม่เป็นที่พึ่งแล้วกับกายเป็นตัวที่จะรัดใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั้นต้องเลิกใช้เงินทองในการที่จะมาดับความทุกข์ทางใจกันเช่นเวลาไม่สบายใจก็เอาเงินทองไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อแต่ซื้อมาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจ ทำให้ความทุกข์ใจหายไปอย่างนี้อย่าไปทำเพราะามันเป็นหนืวนการซื้อยาเสพติดเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ความทุกข์หายไปอย่างถาวรหลังจากได้มาไม่กี่วันความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่ความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ใจที่จะต้องพัดพากจากสิ่งที่รัก จากบุกคคลที่รักมันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่เดิมอย่าไปใช้เงินทองพยายามลดภาระลดการใช้เงินใช้ทองถ้ามีอยู่แล้วมันห้ามใจไม่ได้ก็เอาไปทําบุญนะเอาไปทําทานทําบุญทําทานซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้ใจลดความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากใช้เงินได้ พอเอาเงินไปทำบุญทำทานก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมามทำให้ความความทุกข์ความกมังวลลดน้อยลงได้จากการที่เราได้ทำบุญทำทานกันเพราใจ ม, มีการลดความอยากลงทำให้เรามีความสุขใจสบายใจขึ้นแต่การทำทานอย่างเดียวนี้ก็ยังไม่พอ ในการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่หลงเหลืออยู่ให้หมดสิ้นไปการจะกำจัดความทุกข์ที่หลงเหลืออยู่ในใจก็ยังต้องอาศัยทำขั้นต่อไป<ม>คือการรักษาศีลแล้วก็การภาวนาหรือการปฏิบัติสมาธิและปัญญา<ม>ซึ่งก็เป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติไล่ขึ้นไป เมื้อต้นก็อาจจะรักษาศีลห้าก่อนรักษาศีลห้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดเดิมชรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์ใจต้องการกำจัดความทุกข์ใจก็ต้องละเว้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ เที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจก็คือนี่ยเวลาการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณี<ม>การพูดปลดการดื่มสุรายามเามาการดื่มสุรานี้จะทาให้ขาดสติไม่สามารถยับยั้งความคิดการกระทำการพูดที่ไม่ดีได้เวลาคิดไม่ดี<ม>ก็จะปล่อยออกมาพูดออกมาทำออกมา แต่ถ้ายังมีถ้าไม่ได้ดื่มสุราถ้ามีสติอยู่นี่มันก็จะสามารถยับยั้งได้เวลาคิดไม่ดีก็รู้แล้วว่ากำลังคิดไม่ดีกำลังคิดจะไปทำร้ายผู้ก็ยับยั้งได้กำลังคิดจะไปลักทรัพย์ของผู้ก็ยับยั้งไม่ได้กำลังจะพูดปดก็ยับยั้งไม่ได้แต่ถ้าไม่มีสติแล้วดื่มสุราเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้ว เวลาคิดจะพูดจะทำอะไรก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งใจนั้นก็ต้องรักษาสีหน้าให้ได้ก่อนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเวลามีสีแล้วใจมันจะเย็นใจจะสบายเวลาทำบาปแล้วใจจะรู้สึกร้อนใจจะรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวต่อวิบากกรรมที่จะ กตามมามันต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน mm. เมื่อรักษาศีลห้าได้แล้วก็จะมีกําลังที่จะไปรักษาศีลแปดต่อไปการที่จะการที่รักษาศีลแปดนี้ก็เพื่อที่จะได้ได้มีกําลังที่จะไปปฏิบัติทำขั้นที่สูงต่อก็คือขั้นสมาธิและขั้นปัญญาหทือที่เราเรียกว่าขั้นภาวนา ภาวนาก็แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันสมถาภาวนาก็คือการทําใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือการศึกษาสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมามการที่จะภาวนาได้อย่างเต็มที่จาเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการภาวนา<ม>และศีลแปดนี้ก็จะเป็น ส่วนที่จะมาคอยเอาเวลาที่เอาไปใช้กับความสุขทางโลกคือทางตาหูจมูกนิ้งกายเพรถ้าถ้าถือศีลห้านี้ศีลห้ายังไม่ห้ามในเรื่องของการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายอยู่จะกินอาหารวันละกี่มื้อก็กินได้จะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ได้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ดูหนังฟังเพลง กินดืลอะไรตลอดเวลาก็ทำได้ถ้ามัวแต่ทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมคือการภาวนาทำจิตใจให้สงบแต่ถ้ามาถือศีลแปดนี้มันก็จะถูกห้ามหมดกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องของกามฉันทะหรือกามตัณหานี้ก็จะถูกห้ามปราบไว้ ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเนี่ยห้ามไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานได้ตามความต้องการของร่างกายเหมือนการรับประทานยารับประทานตามเวลาตามหมอสั่งร่างกายก็ต้องการอาหารวันละครั้งสองครั้งก็พอก็สามารถรับประทานได้ไม่เกินเชี่ยงวัน เพ่อหลังจากนั้นจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการรับประทานกับการดื่มอะไรต่างๆอีกจะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี้ให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลามาแวะกินอาหารมาแวะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆจะได้เอาเวลาไปให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนากันอแล้วก็ ถ้ามาหาแล้วก็ถ้าไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอจากเครื่องมมหมอมห์รสบเครื่องบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงน้องนาทําเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือตามศูนย์การค้าต่างๆ<ม>เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ม, มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ ไม่สามารถที่จะไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ต้องอย่าไปใช้วิธีนี้ในการกาจัดความทุกข์ต่างๆไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องเอาเวลาที่ไปเที่ยวเหล่านี้ไปมาบาเพ็ญจิตตภาวนามาทำจิตใจให้สงบเพราะเวลาทำจิตใจให้สงบนี้จะหยุด เหตุที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์ได้พอจิตสงบนี้ความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่นี้มันจะหายไปชั่วคราวหายไปในชั่วขณะที่จิตสงบแต่พอหลังออกจากความสงบมาแล้วมันก็ยังยังไม่มันก็ยังจะกลับมาได้อยู่เพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้มันไม่ได้ถูก ทำจัดด้วยการทำใจให้สงบด้วยกำลังของสติมันยังไม่ได้ตายไปกับสมาธิก็คือเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกคนก็คือความอยากต่างๆโดยเฉพาะความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายนี่พวกเราทุกคนนี้ทุกคนทุกวันนี้ก็ทุกข์กับเรื่องของความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการสูญเสียพัดพลาด อากสิ่งที่เรารักเราชอบทุกขกับการที่จะต้องไ ป, ปเผชิญกับเหตุการณ์หรือกับบุคคลต่างๆที่เราไม่ชอบกันอันนี้ต้องกําจัดด้วยปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วต้องปฏิบัติสมาธิไปพังๆก่อนให้ให้ให้ชำนาญก่อนไม่ใช่ว่าได้สมาธิครั้งแรกแล้วก็จะไปทางปัญญาเลยไปได้แต่มันจะไม่มีกําลัง ที่จะไปหยุดความอยากที่ตนเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ต้องสร้างสมาธิให้มีฐานที่แน่นหนามั่นคงมีพลังก่อนต้องให้มีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าได้เลยและเข้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและสามารถพักจิตใจเวลาที่จิตใจเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมา ก็สามารถยุติความฟุ้งซ่านได้อย่างง่ายดายให้ให้ฝึกสมาธิให้ให้ชํานาญก่อนและเหตุที่จะทําให้ใจสงบใจมีสมาธิก็คือสตินี่เองต้องมันฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนในเบื้องต้นสตินี้จะเป็นผู้ที่จะมาทําใจให้สงบด้วยการไปสกัดความคิดปรุงแต่งต่างๆ จิตนี้พอไม่มีความคิดตรุงแต่งหรือหยุดความคิดตรุงแต่งจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่ า, วาความสุขทั้งปวงที่พระเจ้าทรงตัดว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีต้องพยายามสร้างความสุขอันนี้เป็นฐานของใจให้ได้ก่อนเพราะภายในความสุขอันนี้ จะมีอุเบกขาคือความป่าสจักอารมณ์รักชังกลัวหลงถ้าเราไม่มีความรักชังกลัวหลงนี้เราก็จะสามารถหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้ตัณหาความอยากนี้มันเกิดจากความรักชังกลัวหลงนี่เองเวลารักอะไรก็เกิดความอยากให้สิ่งที่เรารักนี้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆ ไม่อยากให้เขาจากเราไปเวลาไปเจอสิ่ง yes. ที่ไม่ชอบก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็เกิดความอยากอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบมันหายไปมันหมดไปแต่บางทีเราก็ห้ามมันไม่ได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนเราก็กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเราก็อยากไม่ให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ เวลาห้าไม่ได้ใจก็ทุกข์ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกให้มากมากก่อนก่อนที่เราจะไปทางปัญญาเพื่อที่จะได้กาจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจนี้ให้หมดสิ้นไปต้องมีสมาธิจิตโกรสงบตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกมาจากสมาธิ เวลาเราเข้าสมาธิไปนี้จิตจะนิ่งสงบแล้วพอถอนออกมาจากสมาธิมันก็จะนิ่งสงบแต่มันจะค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะเริ่มมีความคิดปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาเริ่มมีการสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆขึ้นมาต่อไปไม่นานความสงบที่ได้จากสมาธิมันก็จะจางหายไป พอรู้สพอรู้ว่ากำลังของสมาธิหมดแล้วก็ควรที่จะกลับเข้าสมาธิใหม่ก่อนอช่วงที่ออกมาจากสมาธิก็ควรที่จะเจริญสติเพื่อรักษาไม่ให้ความสงบมันเสื่อมเร็วเกินไปและรักษาสติที่เป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบได้ถ้าเราเอามาคิดทางปัญญา โดยที่เรายังไม่มีสติที่คอยควบคุมความคิดทางปัญญาได้คิดไปสักพักแล้วบางทีก็เผลอไปคิดทางโลกแทนแทนที่จะคิดปล่อยวางก็ไปคิดวิตกกังวลห่วงใ ย, ยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้แทนปัญญาที่จะมาดับความอยากก็กลายเป็นความคิดปรุงแต่งเพื่อที่จะมาสนับสนุนความอยากเสียโดยไม่รู้สึกตัว ยังต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิไปให้ให้มีสติอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปถ้าถ้ามีสติที่ต่อเนื่องที่สามารถควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาใจเกิดอาการพยศขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็สามารถที่จะบันเทาหยุดมันได้เป็นพักๆไป ถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาเพื่อที่จะกำจัดให้มันหมดไปได้อย่างถาวรใจก็อย่างน้อยก็จะมี ม, มีที่พึ่งทางใจมีมีหลักใจมีมีที่ที่จะหลบภัยจากความทุกข์ของของกิเลสตัณหาได้เป็นพักๆไปถ้าไม่มีสมาธิหรือสมาธิไม่ชำนาน บางครั้งบางเวลาถ้าจิตเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมานี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้อาจจะต้องทนทุกข์ทรมานกับมันไปเป็นเวลายาวนานพอสมควรแต่ถ้าเรามันฝึกสติฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆพ อ, อใจเริ่มพยศขึ้นมานี้ถึงแม้เราจะไม่สามารถกำจัดความยศความพยศได้อย่างถาวร อย่างน้อยเราก็กาจัดมันแบบชั่วคราวไว้ก่อนด้วยใช้ด้วยการใช้กำลังของสติคอยหยุดความคิดความอยากต่างๆพอมีสติก็จะหยุดความคิดความอยากต่างๆได้ใจก็จะกลับมาสงบแล้วขั้นต่อไปถ้าเราสามารถครวบคุมใจด้วยสติได้แล้วเราก็มาคิดทางปัญญาต่อไป ในเรื่องที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากเกิดจากความหลงที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆเช่นลาบยศชรเสริญสุขก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆก็ดีจะให้ความสุขกับใจใจก็เลยเกิดความอยากอยากจะไปเสพอยากจะไปสัมผัสอยากอยากจะไปดูรูปอยากจะไปฟังเสียงอยากจะไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่น อยากจะไปสัมผัสกับโพถภะที่มาสัมผัสตามร่างกาย mm. อยากได้ราบอยากได้เงินได้ทองพอมีเงินทองแล้วสามารถไปซื้อสิ่ง ต, ต่างๆมาให้เกิดความสุขใจได้ mm. อย่างมียศมีตําแหน่งจะได้มีอํานาจ mm. สามารถสั่งอะไรได้ mm. อย่างให้คนยกย่องสรรเสริญ mm. เวลาใครยกย่องสรรเสริญแล้วเกิดความภูมิใจสุขใจขึ้นมา mm. อยากไปเที่ยวอยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเวลาได้เสพได้สัมผัสตามความต้องการก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจแต่เวลาที่อยากแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความเศร้าใจขึ้นมาและสิ่งที่ได้เสพได้สัมผัสก็ไม่สามารถที่จะเก็บรักษาเอาไว้ให้อยู่กับตนไปได้ตลอด พราะมันเป็นของที่เป็นของชั่วคราวเช่นเสียงที่เราได้ยินได้ยินปับ๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วภาพที่เราเห็นเดี๋ยวก็หมดไปแล้วไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่นั้นพอเรากลับมาบ้านรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วความสุขที่ได้จากมันมันก็หายไปหมดแล้วพอกลับมาบ้านก็กลับมาอยู่กับความเหงาอยู่กับความเศร้าเหมือนเดิม อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหาความสุขไม่ใช่เป็นวิธีกําจัดความทุกข์อย่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วกราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงได้ไม่สามารถสัถ่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลามันมามันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันไปมันก็ทําให้เราหมดความสุขไปหรือบางทีบางอย่างมันมาเราไม่อยากให้มันมาพอมันมามันก็ทําให้เราทุกข์ได้ เส้นเสียงนี้มันมีทั้งเสียงที่ทำให้เราสุขมีเสียงที่ทำให้เราทุกข์<ม>เราชอบเสียงสรรเสริญเวลาใครชมเราแล้วมัวชื่นอกชื่นใจพอเวลาเขาด่าเราขึ้นมาก็ เ, าเศร้าใจโกรธเสียใจขึ้นมาซึ่งก็เป็นเสียงเสียงที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ถ้าไม่อยากที่จะไปยุ่งกับมันก็อย่าไปพึ่งมันอย่าไปอยากฟังเสียง<ม>อย่าไปหวังความสุขจากมัน เราก็จะไม่ทุกเวลาที่มันมาเป็นเสียงที่ไม่ดีเราก็จะสามารถอยู่เฉยๆได้จึกใจให้ปล่อยวางให้เฉยๆอย่าไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นของไม่เที่ยงคือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมัน เวลามันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์ได้บางตอนก็พิจารณาของภายนอกก่อนเนี<ม>้ยลาบยศะะเสริญสุขแล้วมาพิจารณาร่างกายของเรามันก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันร่างกายของเรามันก็เกิดแก่เจ็บตาย<ม>ห้ามมันก็ไม่ได้ถ้าเราไปพึ่งไปอาศัยร่างกายเราก็จะอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย<ม>เวลานั่งกายแก่นั่งกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะทุกข์มากม วิธีที่เราจะต้องไม่ทุกข์กับร่างกายก็คืออย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่าใช้ร่างกายไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้เปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการปล่อยวางด้วยการหยุดความอยากต่างๆให้การให้ใจอยู่นิ่งเฉยอยู่กับอุเบกขาไม่ให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับอะไร อันนี้ถ้าเราฝึกสมาธิแล้วเราจะรู้วิธีที่จะทําให้ใจเราอยู่เฉยๆได้ปล่อยวางได้สักแต่ว่ารู้ได้อันนี้คือการใช้ปัญญาเพื่อมาหยุดความอยากพอใจถ้าได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วจะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับใจอีกต่อไปใจจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆ ถึงแม้ยังจะต้องสัมผัสรับรู้อยู่กับโลกกระทำเช่นราบยศทะละเสริญสุขก็จะรู้เฉยๆเป็นเหมือนหยดน้ําบนใบบัวจะไม่ซึมซาบเข้าหากันห ย, ด, หยดน้ํากับใบบัวมันก็จะไม่มารวมกันเป็นหนึ่งไม่เหมือนกับหยดน้ําบนกระดาษซับกระดาษซึมเนี่ยเวลาเอาหยดน้ําไปใส่หยดบนกระดาษซับนี่มันจะดูดเป็นเนื้ออันเดียวกันทั้งน้ําทั้งกระดาษนี่จะ เป็นอันเดียวกันจิตใจที่ไม่มีอุเบกขาจิตใจที่ไม่มีปัญญาก็จะเป็นแบบนั้นพอไปสัมผัสอะไรก็จะดูดเข้าไปในใจทันทีดีใจก็ดีใจสุดๆเวลาเสียใจก็เสียใจสุดๆแต่สําหรับผู้ที่เห็นโทษของของการที่จะไปรักไปชอบไปชังกับสิ่งต่างๆแล้วก็จะทําใจเฉยๆไม่ไปรักไม่ไปชงังไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้าย พอรู้ว่าถ้าเกิดความยินดีร้แล้วมันจะเกิดตัณหาอุปทานที่จะดูดสิ่งนั้นใหเข้ามาอยู่ในใจของตนแล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของตนทัน ท, นทีนี่คือการใช้ปัญญาขั้นต่อไปหลังจากที่ได้สมาธิแล้วสมาธินี้หยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่ง ความอยากก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปตอนนั้นจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจไม่ได้ไปคิดถึงมันนั่นเองเมื่อไม่คิดถึงมันความอยากก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่เวลาออกจากสมาธิมาเอามาคิดถึงร่างกายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาใจก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เราเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าแล้วเราไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้หรือไม่ก็ไม่มีใครห้ามมันได้มันเป็นของธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเราไปทุกข์กับมันทําไมและอะไรมันทําให้เราทุกข์เราก็พิจารณาก็จะเห็นว่าก็เพราะความอยากของเรา อยากอยู่ไปนานๆอยากใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆให้กับเราแต่เราไม่รู้ว่าการใช้ร่างกายนี้แทนที่จะพาเราไปหาความสุขมันกลับพาให้เราไปหาความทุกข์กันถ้าเราเห็นว่ามีร่างกายใช้ร่างกายแล้วจะทำให้เราต้องไปทุกข์เพราะว่าเวลาร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนี้เราห้ามมันไม่ได้แต่เราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ มันก็จะทําให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราบอกว่าอย่าไปหาอย่าไปใช้ร่างกายดีกว่าไม่ต้องไปหาอะไรให้เราหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวนั่นคือทําใจให้นิ่งให้เฉยให้มีอุเบกขาแล้วก็เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสกัดมันสอนมันว่าอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปอยากอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายเพราะมันก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ ป่อยมันแก่ไปปล่อมันเจ็บมันตายไปมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่มันไม่มีส่วนอะไรที่จะมาทำให้เรานี้ขาดหายไปเลยเพราะมันไม่ใช่เราเราก็คือผู้รู้ผู้คิดทั้งน้เองที่ไม่มีที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บแต่ไปทุกข์กับร่างกายเพราะเกิดความอยากให้ให้ร่างกายอยู่กับเราเป็นนานๆทั้งนี้ พอเราหยุดความอยากได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกขกับร่างกายใจเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาไม่ท like ุกขกับทุกขเวทนาแล้วต่อไปเราก็ขยับก็ามาอยู่ที่ใจของเราใจของเราก็มีปัญหาใจของเราก็ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอารมณ์ที่สดใสเบิกบานมีอารมณ์ที่กุ่นมัวมีอารมณ์เศร้มาร ม, รมีอารมณ์เบิกบาน เราตอนต้นไม่เข้าใจเราก็จะไปยึดไปติดไปอยากให้เรามีแต่อารมณ์ที่สดใสเบิกบานพอเวลามันเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาเพราะเพราะอยากให้ใจมีแต่ความเบิกบานผ่องใสตลอดเวลาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักอยู่ดาบใดถ้ามันยังครองขันอยู่มันก็ยังต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ ยังมีการแปรปวนอยู่ขันห้าก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตานัอารมณ์ที่เกิดการแปรอารมณ์ที่อยู่ในใจก็แปรปวนไปตามกฎของตายักเหมือนกันก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปอยากให้มันผ่องใสเบิกบานเพียงอย่างเดียวถึงเวลามันจะเศร้าหมองก็ให้รู้ทันให้รู้ว่ามันเศร้าหมองแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเราสามารถอยู่กับความเศร้าหมองได้อย่างไม่ทุกข์สามารถอยู่กับความเบิกบานได้อย่างไม่ทุกข์ ปล่อยให้มันเบิกบานปล่อยให้มันเศร้ามองไปตามธรรมชาติของมัน mm hmm. ใจไม่ทุกข์กับมันเพราะใจตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ mm hmm. ตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากทั้งเอง mm hmm. แต่เราไปห้ามการแปรปรวนของขันไม่ได้ mm hmm. ของเวทนาของของร่างกายของเวทนาของจิตไม่ได้มันแปรปรวนไปตามตามเหตุตามปัจจัย mm hmm. ต้องรู้ทันทั้งหมดรู้ทันเวทนารู้ทันร่างกายรู้ทันเวทนารู้ทนันรู้ทันอารมณ์ที่มีในจิตแล้วก็ปล่อยวางไปใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากกายเวทนาจิตเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีคามไม่มีการจะกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไม่ต้องหาความสุขจากขันทั้งห้ากาย กายเวทนาจิตเนี่ยก็อยู่แบบสงบอยู่แบบสบายอยู่แบบปราศจากความอยากก็คืออยู่แบบนิพผานนี่นิบานังปรมังสุ ข, ขังนิบานังปรมังสุญญ์อย่างสูญจากความอยาก ส, สูญจากความอยากทั้งปวงอยู่กับความสงบอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติกต่อไปนี่คือ การรักษาใจให้บำบัดความทุกข์บำบัดสุขให้แก่ใจด้วยการปฏิบัติธรรมะที่พทะเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญกันตั้งแต่การทำบุญทำทานไปสู่การรักษาศีลไปสู่การภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาถ้าปฏิบัติต า, ตามขั้นตอนและสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ความหนุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะหมดไปสําหรับใจส่วนความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นเรื่องของของกฎของตายลักไปไม่มีใครห้ามได้แม้แต่พระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่จะเป็นการแก่เจ็บตายเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเพราะฉลาดแล้วเพราะรู้แล้วว่าไม่ไม่ต้องการของเหล่านี้อีกแล้วไม่ต้องการกลับมามีร่างกายกแล้ว เพราะถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอยู่เรื่อยๆสําหรับใจที่ตัดความอยากได้หมดสิ้นไปจากใจเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีความอยากที่จะได้ที่จะต้องมีอะไรเพื่อให้มีความสุขในตัวของตนเองเพราะในในใจของที่ไม่มีใจที่ไม่มีความอยากนี้มันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุ k นั่นเองพลมังสุขถังนี่คือเรื่องของวิธีการ ดูแลชีวิตของเราทั้งส่วนทางร่างกายและจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ตามแนวที่พูะเจ้าได้ทรงสอนได้ทรงบาเพ็ญมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะฮาปูราปริปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันะราโสยะถามณีโชติ ระโสยถาสัพพิติยวิวาชนตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนศีลิตสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารูธรรมาวัตันติอายุวันุสุขัง อ, อช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งทางบ้านและที่นี่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมณนากุฏจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ446ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์276 y youtube ดรว76 c l ับ h ฮ u s ์5วิทยุออนไลน์9นากุต158รวมทั้งหมด150รวมทั้งหมด970ท่านค่ะ มีคถามจากทาง a c e b ุ o k ค่ะคุณแม่รักสวยรักงามมากเสื้อผ้าเต็มบ้านแต่ก็ไม่หยุดซื้อห่วงหน้าตาทางสังคมอยากถูกหวยอยากรวยสนใจมากกับคำพูดคนอื่นและคำนินทามีเพื่อนที่เอาแต่ชวนฟุ้งเฟอ้ออยากให้รูปไปหยุด อยู่ด้วยกันในเมืองพัทยาแต่ลูกชอบสงบอยากอยู่ในสวนอยู่บ้านนอกกินน้อยใช้น้อยจะทำยังไงดีคะอยากให้คุณแม่ระกิเลสได้บ้างและเข้าใจลูกคุณแม่อายุหกสิบปีแล้วคะ่ะคุณแม่ได้ไปตักบาทท่านแล้วก็ฟั ง, ฟงเทสฟังเทศท่านบ้างคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะอย่าไปอยากเลยอยา่ารบกวนเป็นหรืเปล่าทางกายทางมัน มันช่วยไม่ได้ละมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคนที่สร้างกันมาเคยชอบอะไรเขาก็จะชอบอย่างนั้นของเขาไปก็เราก็ทําตัวตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีก็แล้วกันแล้วนนวันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะเห็นเห็นคุณค่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไปบวชบวชแล้วเดอไปก็คนอื่นก็บวชตามเห็นไหมแม่ก็บวชตามลูกก็บวชตามญาติพี่น้องก็บวชตามเอง ทำของเราไปเถิดความดีของเราทําไปแล้วมันจะดึงดูดใจของคนอื่นต่อไปความอยากของเรามันไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้หรอกงั้นอยากไปอยากพยายามทํ า, าทตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสักวันหนึ่งเมื่อเขาเห็นความเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะตามมาเองคําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ กราบนมัศการเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราบริกรรมพุทโธตลอดจนชินติดพุทโธแล้วเรื่องอื่นจิตจะไม่คิดปุง่งแจงแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ อ, อ๋อไม่หรอกมันก็สามารถคิดได้ถ้าเราต้องการจะให้มันคิดเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการหยุดคิดเราก็หยุดมันได้ถ้าเราไม่มีพุทโธเราจะหยุดความคิดไม่ได้เวลาเราเคลียดนี้ก็เครียดจากความคิดของเรานี้เราก็จะหยุดไม่ได้ แต่ถ้าเรามีพุทโธว่าเราเลือกว่าเราเริ่มเครียดแล้วเราก็หยุดมันได้มันก็จะหายเครียดทันทีไม่ใช่ว่าการมีสติแล้วมันจะทำให้ความคิดหายไปหมดไม่ความคิดมันก็ยังอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีสติมันจะคิดอะไรมันก็คิดไปเรื่องของมันทาให้เราทุกไป กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะความคิดเหล่านี้แต่ถ้าเรามีสติแล้วพอเราเห็นว่ามันเริ่มทําให้เราเกิดความทุกข์เราก็หยุดมันได้เบื้องต้นเราก็ใช้สติหยุดความคิดหยุดความทุกข์ไว้ก่อนชั่วคราวแต่มันเป็นความการหยุดแบบชั่วคราวพอเราเผลอปล่อยให้มันคิดใหม่มันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ อย่าใช้ความทุกข์มันหมดไปอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากความอยากของเราเองอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยทุกข์กันพอรู้แล้วว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากของเราเขาจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยก็เป็นอย่างนั้นไปเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยก็เป็นอย่างนี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์เขาก็จะไม่ทุกข์ ความอยาก ง, งเราสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยพยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาอีกฉะั้นถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากกับอะไรปล่อยให้เป็นไปตามตามธรรมชาติตามความเป็นจริง คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะหนูไม่เข้าใจที่ว่าเราคือผู้รู้และผู้คิดที่หลวงพ่อสอนให้หยุดความคิดต่างๆให้ทําจิตให้สงบแล้วทําไมเราถึงเป็นผู้คิดคะไม่รู้จะตอบยังไงก็มันก็เป็นผู้คิดนะแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะมันเป็นผู้คิดเราจะให้ทําให้เป็นผู้บ้าเลยเราเป็นผู้คิดก็เป็นผู้คิดเห็นเราไม่ได้เป็นผู้บ้า เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายมั้งใช่ไหมร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นเป็นร่างกายเป็นดินน้ำลมใครเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ทําสร้างขึ้นมาให้กับเราแล้วเราก็เอามาใช้เป็นคนรับใช้เราเราอยากจะไปไหนเราก็เอาร่างกายนี้พาออกไปอย่างวันนี้มาที่อยากจะมาที่นี่เราก็ต้องมีร่างกายพาเรามาแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายทิ้ง เรเป็นผู้สั่งการร่างกายด้วยความคิดนีผู้รู้ผู้คิดนี่ก็คือเป็นผู้สั่งสั่งให้ร่างกายไปไหนมาไหนถ้าผู้รู้ผู้คิดไม่สั่งมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ร่างกายแต่ความจริงผู้ผู้คิดนี่ก็ไม่ใช่เราเองนะัเพียงว่าตอนนี้เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเรา ไอเราก็ไม่ได้หนงคิดไอตัวคิดที่มันหนงเองมันหนงไปคิดว่ามีเรา <c oughs> แต่ความจริงมันไม่มีเรามันก็เป็นตัวคิดที่สร้างสร้างเราขึ้นมาเองอีกทีพอหยุดคิดปั๊บไอตัวเราก็หายไปพร้อมกับความคิดมันก็จะรู้ว่าโ อ, อ้ความคิดนี่เป็นผู้สร้างตัวเราขึ้นมาอีกทีพ อ, อพอไม่มีความคิดตัวเราก็ไม่มีเหลือแต่ตัวรู้ไปอตัวเดียวต้องฝึกสมาธิทําใจให้สงบ หุดความคิดแล้วก็จะเข้าใจหลักนี้มากขึ้นตอนนี้ยิ่งคิดยิ่งเหมือนงูพันพันหะงูพันตัวเองยิ่งคิดมันก็ยิ่งพันพันยิ่งงงไปใหญ่ต้องหยุดคิดแล้วถึงจะหายงงต้องเพิกสเตนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจให้สงบหยุดตัวคิดไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวไม่มีคําถามนะ ขออนุญาตถามค่ะอะถามสิไม่ว่าเลยขออนุญาตขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเวทนาในกายกับเวทนาในจิตนะคะเวทนาในกายก็เกิดจากร่างกายไงปวดหัวปวดท้องท้งเสียนี้มันก็เป็นเวทนาทางกายเวทนาทางใจก็เกิดจากอารมณ์ที่มันแตก ป, ป่วนไปแปกป่วนมา จาการที <suspended> enfin <ulo> ่ม <ils> ันไปสัม <pr> ผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดปรุงแต่งมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดอารมณ์เบิกบานเกิดอารมณ์ผ่องใสเกิดอารมณ์เศร้าหมองก็เกิดจากการที่มันไปสัมผัสรับรู้เหตุการณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเน่นเวลาสูญเสียคนที่เราลากไปนี่มันก็เกิดอาการอารมณ์เศร้าหมองขึ้นมานางกายก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่มีทุกขเวทนาทางกายแต่ไม่มีทุกขเวทนาทางจิต ทางใจก็เกิดจากเนี่ยเกิดจากการไปสัมผัสรับนู้เรื่องราวที่ทําให้เราเศร้าหมองขึ้นมาอันนี้เป็นอารมณ์อารมณ์แปลกวนไปตามเหตุการณ์ฝนตกแดดออกมันก็ทําให้เรามีอารมณ์แปลกไปได้วันไหนฝ น, นไม่ตกอากาศดีก็อารมณ์ก็เบิกบางขึ้นมาวันไหนถ้าเกิดมีพายุมีน้ําท่วมเนี่ยอารมณ์ก็ไม่ดีแล้วอารมณ์บุญเบี้ยวขึ้นมาแล้ว แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้เราทุกข์นี้ต่างหาอีกตัวหนึ่งมันมัมีทุกข์สามตัวทุกข์ทางกายทุกข์ทางอารมณ์แล้วก็ทุกข์ทางใจทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากมันอยากให้ทุกข์ทางทางกายหายไปอยากให้ทุกข์ทางอารมณ์หายไปมันก็เลยเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาแต่ถ้าใจฉลาดรู้ว่าไปอยากไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะทุกข์ทางกายก็ต้องปล่อยมัไปปล่อยมันทุกข์ไป มันจะทุกทางอารมณ์ก็ปล่อยมันทุกไปอ่าใจเราอย่าไปทุกกับมันอันนี้เราห้ามได้ด้วยปัญญาหยุดความอยากไม่มีคำถามอะไรนะมีใครอยากจะถามไหมทีนี้ไม่มีคำถามหลังไหม่นะมีถามหน้าใหม่เวลาแล้วก็เช่าจะมาขอถามเลยต้องขอไปไม่มีเวลาไม่มีเสียง